ตอนอบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่4 <S <S <GA F> ก็เดี๋ยวสักครู่เราสาธิตนะการปฏิบัติคนจีนเขามีคำพูดหนึ่งซันเหรินถงสิงปิเอี่ยวอู่ือเป็นจีนมณดินนะฮะ สามคนเดินไปด้วยกันต่างคนต่างเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกันและกันได้นะก็พูดอย่างนี้ก็ว่าพวกเราไม่ต้องมีอัตราโดยเฉพาะคำว่าครูที่นี่ก็มีครูนะเดี๋ยววันที่สิบสองต้องเข้าค่ายนะทีนี้อาชีพเราเคยสอนตลอดมิต่สอนคนก็ <c oughs> เลยไม่คุ้นเคยกับถูกสอนนะมันจะสร้างอัตราโดยไม่รู้ตัวนะเห็นเขาสมมติว่าเออคนที่เป็นคน ออสอนเรียกว่าครูคนที่เป็นคนเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนนะเขาก็บอกว่าซื้อเจียนฉังจิ่วเปี้ยนชื่ อ, อยันก็คือว่าเวลามันผ่านไปเนิ่นนานกลายเป็นกล า, ายเป็นธรรมชาติของเราเราสร้างอัตราขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะนี่เรื่องครูเนาะส่วนคำว่าพระนะผ่าพิสุถ้าไม่ระวังตัวอย่างผราพิากสุบ้านเราเนี่ยว่ายโยมไม่ได้นะ เห็นมแต่ทั้งมหายานนีอ่องค์ดารามะนี่ว่าโยมตลอดนะเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันทีนี้ไอ้คนถูกไหวนั่นถ้าไม่ระวังปุ๊บจะสร้างอัตตาขึ้นมาเหมือนกันทีนี้เอาพระกับครูรวมกันกลายเป็นพระครูอัตตาสองเท่าเลยนะอันนี้ระวังอัตตานี่จะทำลายภูมิคุ้มกันเราไม่ใช่เรื่องดีนะเรา เรามีอัตราเคร่งเครียดตอนนั้นแหละมันจะทําความทําลายความเป็นธรรมชาติของอารมณ์เรานะก็พราะครูเห็นบรรยากาศนี้ก็ดีฮะก็เราเข้าห้องเรียนนะครูกลายเป็นนักเรียนนะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นครูใหญ่เป็นครูประจําชั้นสอนแล้วเปลี่ยนหน้าที่กันบางอย่างต้องให้เขาสอนเราบางอย่างเราต้องเรียนรู้เขาเนี่ยทุกคนเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งกันและกันได้เป็นแค่สมมุติ อย่าไปหลงสมมุตินั้นจะสร้างอัตตาขึ้นมาเราทุกแน่ๆนะก็สาธิตที่นั่งอยู่ที่นี่น่ะนะรุ่นน้องหมดในแง่พลราน่อยเดี๋ยวรุ่นพี่จะแสดงให้ดู <laughs> มันไม่เกี่ยวกับอายุไขนะเห็นไมเรื่องจิตวิญญาณไม่เกี่ยวกับอายุไขเน้นบัณฑิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันเป็นอหรหันต์แล้วเห็นไมอย่าไปถามว่าปฏิบัติทำมากี่ปีแล้ว ได้ชาญเท่าไหรนะ่ต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาตินะส่วนทางโลกรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรมันเป็นแค่สมมุตินะเราก็ทำตามสมมุติแต่อย่าไปหลงสมมุติเดี๋ยวมันจะมีอัตราโอเคนะก็ทุกท่านหันหน้าไปทางโน้นนะครับเออหันหน้ามองข้างโอเคนะก็ก็ถ้าคุณไม่ชีพร้อมเชิญคุณไม่ชีกับรุ่นพี่ที่จะมาปฏิบัติ เป็นวิทยาทานเชิญเข้ามาในสนามได้เนาะเราจะคุ้นเคยว่าเออเวลาปฏิบัติไปเกิดมันมีอาการแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องเข้าทรงไม่ใช่เรื่องผีเข้านะมันเป็นเรื่องของอินไซเอาข้างในสั่งข้างนอกนะและเราจะเห็นเรื่องนานาจิตตังคือทุกคนไม่เหมือนกันนะที่นี่ไม่ได้สอนวิชาใดๆทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะข้างในเป็นตัวสั่งข้างนอกนะ เออคุณไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมมามามาถือโอกาสนี้เนี่ยใครอยากได้บุญออกมานะเป็นการให้ธรรมทานเราไม่มีลิขิทธนะอย่าถือตัวถือตนเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้แบ่งปันประสบการณ์โอเคนะมีอีกไหมใครจะออกมาเอ อ, อเคนะพร้อมทุกอย่าง โอเคพร้อมแล้ว ตัวเองนะเราไม่ได้เกิดจากการฝึกในชาตินี้มันเป็นเรื่องของเก่า จากการผลผลเป็นว่าชิดแรกๆเนี่เราต้องากายร่างกายเราต้องปรับสมดุลต้องตามเขาไปให้ได้แล้วจุดท้ายเราจะเกิดความชำนาญ ถ้าเราใช้สมองหมุนเนี่ยนะไม่กี่รอบเราก็เวียนหัวแล้วนะอันนี้จิตเป็นคนตังทุกดวงจิตจดจ่ออยู่กับการกระทํานะเตั้งมั่นอยู่ในโลกส่วนตัวเรา ค่อยๆช้าลงช้าลงค่อยๆช้าลงช้าลงอ้าวพนมมือสาธุสาธุสาธุ พวกคณะเรามามีเวลาห้าหวันนะแล้วก็เช้าสายบ่ายเย็นนะวิชาที่นี่เป็นวิชาขวนกับเลียมเช้าสายบ่ายเย็นนะไม่มีวันหยุดราชการปฏิบัติตลอดปี <c oughs> เป็นวิถีนะเป็นวิถีพอถึงเวลาทุกคนก็เดินมาที่นี่พอเลิกจากที่นี่ทํากิจกรรมของตัวเองแล้วก็ถึงเวลาก็มาที่นี่นี่คือเป็นงานหลักของเรานะ อันนี้เขาเรียกว่าอินไซเอานะออกมาจากข้างในจิตเรามีพลังมหาศาลมีปัญญามากมายนะเราถอยหลังกลับไปหลายปีก่อนมีญาติธรรมมาจากขอนแก่นเขามาปฏิบัติแล้วเขากลับไปปกติตอนเช้าเขากับภรรยาเขากับไปวิ่งอยู่ทุ่งสีเมืองที่นูน้น รอบสนามเขาต้องหยุดพักสามครั้งแต่พอกลับไปปุ๊บภรรยายังใส่รองเท้าไม่เสร็จเลย <c oughs> เขาจ็อกกิ้งเยอะเฉมมันจิตวิ่งรอบเดียวจบภรรยายใส่รองเท้ายัางไม่เสร็จ <c oughs> แต่เขานอนเป็นไข้อยู่สามวันพอฟื้นเขากลับมาพ่อครู บ, บอกอัน <c oughs> นี้พ่อครูเอาไปใช้วิ่งโอลิมปิกโลชนาหมดเลยคือเราเอามาใช้ได้จะเล่นยิมนาสติกหรือว่าอะไรก็ช่างหรือจะทาอะไรก็ช่างเนี่ยเอาพลังจิต หมอบัญชานี่ฝึกไทยเก๊กสายดำนะแต่พอเข้าไปในจิตปุ๊บมันไปพัฒนาไปสู่บอ่อเก๊กคือไร้ขบวนท่าไปเจออาจารย์เขาบอกว่าไปฝึกมาจากไหนอาจารย์ยังทําไม่ได้เลยจิตเดิมเรามาฝึกแล้วมันฝึกมาแล้วเห็นไหมมันมาต่อยอดไอ้ที่เรามีความรู้อยู่ไม่ได้หายไปไหนจิตเขาจะมาต่อยอดเพราะทุกวันนี้เรา เราไม่กล้าคิดนอกกรอบเราฝึกมากี่ท่าเราก็จำกี่ท่านั้นเห็นพอจิตอิสระปุ๊บเนี่ยเขาไปเอาในอดีตนี่เป็นร้อยเป็นพันท่านี่เอามาบูรณาการให้เราเนี่ยไม่ใช่ทาทีละท่าอันนี้คือตัวปัญญานะปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เอามาใช้ได้เลยและปัญญาสูงสุดเพื่ออะไรเพื่อวางความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้ระวางความทุกข์ซะ แต่ไอปัญญาเหล่านี้เนี่ยที่คนโบราณเขาฝึกกําลังภายในฝึกอะไรเนี่ย เ, เขาต้องรักษาร่างกายด้วยโดยเฉพาะสายมห ah ายานแสาวัสลินน่ะสมัยก่อนอยู่ในป่าไม่มีโจรผู้ไายท่านต้องฝึกจิตแบบฝึกกําลังภายในไปด้วยเพื่อป้องกันภยัยและโลครคภัยไข้เจ็บมันเยอะไงท่านต้องคําแข็งแรงเห็นไหมมันขบวนการนั้นฝึกก็ร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ดีอารมณ์ก็ดีนะ เพราะร่างกายเป็นเครื่องมือเดินทางของจิตเราต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่ว่าจะฝึกจิตปุ๊บก็ไปทรมานสังขารพระพุทธองค์เนี่ยทดลองมาแล้วแต่ทุกแกละกิริยาเนี่ยนะไม่สําเร็จเราคิดแบบแยกส่วนร่างกายแข็งแรงก็ไปออกกาลังกายเห็น ไ, ไหมจะเอาจิตก็เอาจิตออกจิตอย่างเดียวก็ทรมานสังขารมันไม่ใช่ความเพียรชอบมันไม่ใช่ทางสายกลางกายเวทนาจิตทำต้องไปกันด้วยกันนะ ต้องไปด้วยกันอันนี้คือมหาสติปัฏฐานแต่ที่เราฝึกกันมหาอติปัฏฐคือเราเอาทีละขั้นทีละชานทีละชานทีละชานทีละฌานทีละานเข้าไปก็ระลึกชาติได้หลวงปู่มั่นเนี่ยไประลึกชาติท่านเห็นถ้าที่ท่านระเบิดน่ะเคยเป็นสุนัขอยู่แถวนั้นหรอชาติแต่ว่าแนวนั้นน่ะคือสเต็ปบายสเต็ปนั้นน่ะจะไม่ได้แสดงออกทางกายภาพ แต่ต้องใช้เวลายาวนานมากบม่มเพราะพลังมหาศาลถึงจะเข้าไปได้อันนี้เราใช้พลังแรงเบี่ยงทงนันทีเข้าไปเลยไม่ใช่เอาเปรียบนะฝึกมาหลายชาติแล้วเข้าไปเลยแล้วเอาของเก่ามาต่อ ย, ยอดปัจจุบันนี้พระแขหรือว่าลวหลายๆคนเนี่ยแก้วทิพย์เหมือนกันเนี่ยไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกนะวิชานี้ทำเมื่อไหร่ก็ได้มันกลายเป็นปัจจุบันแล้ว ชาตินี้ไม่เคยฝึกเรามีสิ่งมหัจักรย์มากแต่มนุษย์เราละเลยเพราะวิทยาศาสตร์ไปจบที่รูปธรรมเราปฏิเสธนา ม, มาทำนะก็อันนี้เป็นแสดงให้เป็นเป็นแนวทางพอเราปฏิบัติเองที่บ้านมันเกิดอาการอะไรเนี่ยไม่ต้องตกใจดูเฉยๆมีสติดูเฉยๆว่าเขาทำอะไร นอบน้อมถ่อมตนอย่าเอาสมองโง่ๆของเราไปสั่งจิตเรียนรู้กับเขาแล้วจําไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาเป็นเจ้าของชีวิตเราเขาไม่มีเหตุผลจะทําร้ายเราแน่นอนแต่พวกเข้าทรงทรงเจ้านั้นอย่าไปเล่นนะเขามาอาศัยร่างเราทําอะไรก็ไม่รู้เราไม่ได้อะไรเลยนะที่เข้าทรงทุกวันนี้มีจริงไม่มีจริง ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มีถึงถาเปซน่ะนอกนั้นแสดงหมดเข้าทรงคืออะไรเราเปิดจิตเพื่อให้พลังจิตข้างนอกมาครอบงำเรานะมาครอบงำเราเขาก็ใช้ร่างกายเราเเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรพวกนี้นั่นพวกนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะไม่ใช่ว่าอุ้ยเราทุกข์มากก็ไปหาหมอดูดูเราแล้วก็ไปให้เข้สะดเดาะข้อให้ไม่มีทาง การสะดเดาะข้อที่ดีที่สุดก็คือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาต้องทำเองต้องไปจ่ายนี้กรรมทางจิตเองนะส่วนเราไปหาหมอโรคจิตหรือไปหาหมอดูอะไรเขาก็ปลอบใจเราบ้างใช้จิตวิยาให้เราคิดบวกอะไรบ้างเหมือนกินยาพาราโอดวงไม่ดีนะต้องทำบุญนะทีนี้รู้แล้วดวงไม่ดไมีไม่ทำก็นอนไม่หลับไง ก็ไปทำบุญทำบุญก็เออสบายใจเพราะได้ทำแล้วแต่ไม่ใช่ว่ากระแสกรรมตอนนั้นมันจะหมดไม่มีทางสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทีนี้วิธีใช้นี่กรรมก็คือเข้าไปในจิตแก้วทิพย์เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วเรียนจมบมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเอกคอมพิวเตอร์ก็มีอารมณ์อยากไปวัดก็ไปเข้าวัดเข้าคอร์สหนึ่งที่วัด เขาพุทธโคโดมที่ศรีราชานะีนะอาจารย์มหาสีภัยเคยมาปฏิบัติที่นี่ก็ส่งมาที่นี่วันแรกมาวิ่งมาราธอนอยู่วิ่งมาราธอนอยู่สองวันเพราะชีวิตนี้มัธยมเขาเนี่ยเขาเป็นนักกีฬานักกีฬาวิ่งมาราธอนวิ่ง10กิโลเมตรเขามีเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วทําให้ขาเขานี่ยืนปุ๊บกรสันนะมันมันใช้ร่างกายตัวเองเกิ น, เ ก, นเกินความเป็นจริง มันรักษาขาแกอยู่สองวันวันที่สามเขาก็นั่งเข <c oughs> าก็ไล่ลำใหญ่เลยที่เขาหมุนอย่างนี้เนี่ย <c oughs> เรียกว่าธรรมจักรกับปวนาสูตรหมุนโกลล็อกของธรรมจักรปางปฐมของเราเนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าถ้าเถระว่าเราแบบนี้นะ <c oughs> ถ้ามห า, า, า, า, า, าย า, านเราแบบนี้อ่าพระโพธิสัตว์กวนอิมแบบนี้แล้วเขาเขาก็หมุนเที่ยงคืนก็ไม่ยอมหยุดวิ่งออกไปรับแสง จันอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็มีถน น, นมีประหลัดอวุโสมาอยู่กับเรากันหนึ่งไปจี้หัวประหลัดอะไรอะไรๆเนี่ยเขาทําอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ไปจี้หลังไปเปิดจุดให้แกเนี่ยประหลัดกลับไปนอนมันไม่นอนทั้งคืนจิตมันตื่นแล้วตื่นเช้ามาประหลัดก็ทําแบบนี้ได้แล้วก็ถ่ายทอดคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่้องให้พลังนะเราไปสปาร์คให้เราไปเข้าโปรแกรมที่มันเป็นเซเปซี่เดียวกัน ไม่ต้องมานั่งน้ำหนึ่งใหม่เราเอาบาลิมีเก่าเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์นั่นแหละเอาที่ฝึกมาแล้วมาต่อยอดแต่ว่าจิตเดิมมาจดปริยาโทแล้วมีเหตุผลไม่เราจับมาเรียนอนุบาลใหม่ทุกวันนี้ตายก่อนตายก่อนนะก็อันนี้ค่อยๆเรียนรู้มันเป็นสิ่งแปลกๆโดยเฉพาะสังคมไทยไม่เคยเจอแบบนี้เราฝึก สมาธิเจริญสติก็ไปนั่งเงียบๆนั่นไม่ได้ผิดนะอันนั้นเป็นการฝึกแต่การจเจริญมรรคจิตเนี่ยไม่ใช่ฝึกเดินทางเลยเห็นไหมทำในสิ่งที่เราไม่เคยไม่เคยราก็มารำไม่เคยหมุนก็หมุนเห็นไหมแรกๆหมุนปุ๊บร่างกายเราไม่คุ้นเคยก็เกรงๆคก้กกกกางบ้างร่างกายเราไม่ทันจิตหรอกนะแต่มันก็ทำเท่าที่มันทําได้ทําไปทํามามันเราจะเกิดความจานานจิตเดิมเขาจะถ่ายทอดวิชานั้นให้เราและอย่างน้อยๆเราก็ได้กายภาพบําบัด ดนตีบำบัดจิตบำบัดสมาธิบำบัดล้างพิษทางอารมณ์นี่คือโฮลิสติกนะพ่อครูมันเอาชีวิตพ่อครูเนี่ยมาทดลองสิ่งนี้40ปีเขาส่งให้ไปซิ่งนะไปรู้โลกอย่างแจม่มแจ้งทำทุกอย่างที่มันอยากทำแล้วก็เขาตีกลับมา26ปีทำให้ครูพ่อครูมานั่งเฝ้าตรงนี้ทำไม เพราะคุณไม่มีความอยากรู้อะไรมันไม่ทุกอะไรไม่มีอะไรสงสัยแล้วทําไมต้องมานั่งดูตรงนี้ทีแรกไม่ได้คิดทําไปก็ทําไปเขาก็ให้เราเห็นนะโอ้แต่ดวงจิตไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมไม่เหมือนกันแล้วเราจเจ้าวิชาเดียวกันบังคับให้ทุกคนเหมือนกันได้อย่างไรนี่คือนานาจิตตัง20ปีเพราะคุณไม่ไปไหนนะผู้คนก็ปากต่อปากมาเข้ามาเนี่ยข้างนอกไม่มีใครรู้ เขาก็มาในวงแคบๆเนะ่ยเขาให้พ่อกูมานั่งดูสิ่งนี้หามมาเลยแล้วเนี่ยพอมันนอนหมุนปุ๊บเนี่ยมันเวียงเวียงเบียงเบียงนะเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาเต้นนะก็ไม่รู้สองสามวันนี้เนี่พ่อกูมีภาพยนตร์ฝรั่งอันหนึ่งเนี่ยพ่อกูให้แก้วตัดตอนนิดๆหน่อยๆ น, นะมันเป็นภาพยนตร์สมัยเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษอะนะนะเป็น เป็นอัอนนี้แหละคือองค์ชายนั้นเขาเขาพูดติดอ่างไปเจอคนมากๆเนี่ยเขาพูดไม่ออกเลยเนาะทีนี้ก็รักษาหลายหมอก็ไม่หายนะก็ไปเจอหมอหนึ่งบ้าๆบอๆคือรักษาแบบแบบไม่เหมือนคนอื่นนะสุดท้ายเขาก็หายนะมักกิ้งแบบนี้คือกิ้งเลยมาที่แรกว่าไม่ได้ต้องเรียกฝ่าบาทเขาบอกไม่ต้องเท่ากันไม่ไงั้นไม่รักษา เขาทำลายอัตตาตัวตนมันเป็นอุปทานนะความกลัวไงประมางไงทีนี้มันละลายความประมาทเนี่ยนั่นคือพฤติกรรมอย่างหนึ่งทําให้เราเป็นแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนที่เรามาทําเนี่ยเรากำลังละลายพฤติกรรมจากมีหัวโขนมีอัตตามีตัวตนนะ่ะกิ้งเขาล่อเขาล่อเนี่ยหมดรูปเลยไม่มีรูปเลยใช่ไหมไปรักษารูปเนะี่ยหมดท่าเลยเป็นการทําลายท่าทาง ทำลายรูปทำลายอัตตานะไม่เคยทําอะไรก็มาทำนะาละายละลายพฤติกรรมไอ้ตัวเนี้นะ่เป็นตัวอัตตาเราทําให้เราเกิดอุปท า, านเราเครียดเพราะสิ่งนั้นนะก็ไม่กีวันเองเพอกูไปเห็นมาเฮ้ย hey, แก้วแก้แกวไล่พระกูหน่อยเรื่องนี้นะมันเป็นแต่ว่าตอนนั้นเขาใช้จิตพิยาเขาใช้สั่งการทีนี้เริ่มจากว่าเขาเอาองค์ชายนั้นอนะ มาฟังมาฟังเพลงนะสมัยก่อนละ่ะรุ่นเก่าๆแบบแผ่นเสียงอะนะแล้วก็เอาไม้ใบก้าแล้วก็ให้อ่านหนังสือพอเสียงเพลงดังๆแล้วเนี่ยเขาก็อ่านได้หมดเลยเขาลืมอุปทานของเขาแล้วเขาก็อัดไว้ด้วยองค์ชายนั้นไม่เอาแล้วมึงหลอกกูทําอะไรบ้าๆบอหนีเขาบอกเดี๋ยพึ่งให้ให้ให้อนี่ของฟรีบอกก็ไปไปบ้าน องค์ชายก็ฟังเพลงอยู่เป็นคนขี้โมโหเพราะว่าเขากดดันมากเขาเครียดมากจะขึ้นคลองบรนลังแล้วเนี่ยมันขึ้นได้ยังไงเนี่ยพูดก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนแผ่นเสียงลองอันนี้เปิดมาดูเนี่ยมันนั่งฟังตัวเองพูดได้อ่านได้แค่มันลืมอุปทานตรงนั้นเองนะเพราะครูมีมีญาติลูกพี่ลูกน้องเป็นหมอที่ไต้หวันนั่นแหะเป็นอมาพาษ ตอนนั้นพ่อครูก็บินจากอเมริกาไปเยี่ยมเขาพาเขานั่งเวียงนะแล้วตอนนั้นเรามีวีดีโอตั้งอยู่ตลอ ด, ดแรกๆเนี่ยพ่อครูบันทึกทุกอย่างให้เป็นหลักฐานอะไรหมดนะเวลาเข้าไปในจิตมันหายไอ้ที่มืออย่างนี้เอาออกไม่ได้นะมันมาลาเชยเลยเปิดให้เขาดูละคุณไม่ได้เป็นอมภาตมันเป็นอุปทาน แล้ว ก, ก็ดีขึ้นจนเดินได้ก็พาพระครูไปไปเดินห้างที่ไต้หวันพอเดินปุ๊บเราเรารครุยเขาเขาลืมเนีเ่เขาาหายพอเขาไปเห็นมันไดเลื่อนปุ๊บเนี่ยเขาเป็นอีกมันเป็นโรคอุปทานถ้ามันเป็นจริงๆนี่มันต้องไม่หายนะพวกเราเจอแล้วนะพ่อ ก, กูว่าอันนี้แหละสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตในแง่ชีวิตนะส่วนข้างนอกเนี่ยทุกคนต้องมีสัมมาชีวะทุกคนทําหน้าที่ไป นะสัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในมัคมีองค์ดนะเป็นหนึ่งใน8เป็นสำคัญไม่ทำงานไม่มีอาชีพมันจะอยู่ได้อย่างไรนะต้องเป็นสัมมาอาชีพต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพเรานั่นก็เป็นการเจริญมากเหมือนกันนะก็เมื่อวานพ่อครูเกินเรื่องทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะวันนี้จะเหลือเวลาหน่อยหนึ่งก็จะเข้าหมวดของศีลหน่อยหนึ่งทุกวันนี้เราถูกไม่ใช่กึ่งบังคับหรอก อ่าหมู่บ้านศีลห้าอะไรก็ดีโจรโจรโจรเธอต้องมีศีลห้านะต้องมีพูดปุด๊บมันก็มีเลยเหรอชีวิตพ่อครู40ปีวิ่งไปตามโลกเนี่ยไม่มีศีลแบบนั้นศีลห้าบอกไม่ให้ทำไรทําหมดแล้ว26ปีนั่งอยู่ที่นี่นะปกติที่ผ่านมาก็กินข้าวมือเดียวไม่ได้ถือศีลแปดนะมันก็กินแค่มันพอนะปีพ่อครูก็ไม่ต้องถือศีลอีกแต่ไม่ทาชั่วแน่นอน มันเป็นศีลแล้วจิตมันคืนสู่สภาวะเดิมมันเป็นปกติแล้วเมื่อมันไม่มีความอยากแล้วมันไม่มีอนาคตแล้วแม้กระทั่งคิดก็ไม่ต้องคิดเลยเห็นไหมไม่ต้องสร้างโมโนกรรมเลยเห็นไหมแล้วมันจะไปคิดทําไมมันไม่มีอนาคตอ่ะไม่ต้องถือศีลแต่ตอนนี้มือถือสากปากถือศีลถือถือหุดห ด, ดเอาแค่ศีลข้อบังคับมาเตือนเราบางทีก็เตือนได้บางทีตัวอยากมันเยอะกว่าไม่รู้ศีลมันหายไปไหนทาซานน่ย มีศินห้าเต็มเปี่ยมอ๋เอเหล้ายี่ห้อแพงๆทาซานมึงกินไหมเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้บุรีแพงๆมึงไม่เอาทาซานโกหกไหมมันโกหกทำไมมันไม่ได้อยากได้อะไรของเราศินเราหายไปเพราะเรามีความรู้ผิดเห็นไหมเรื่องเพศเหมือนกันผิดสินในกรรมอะไรๆถ้าเป็นตามธรรมชาตินี่นะ ความรู้สึกทางกายเราไม่ได้เยอะขนาดนี้ทุกวันนี้ไม่รู้สึกก็ไปกระตุน้นกินยาบำรุงไปดูหนังเซ็กอะไรพวกนี้นะมนุษย์เราปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดเห็นไหมสุนัขมันนะ่ะมันมีฤดูนะมันมีฤดูที่มันจะะสมพันธุ์นะมันต้องทำหน้าที่มันเพื่อเผยแพร่เผ่าพันธุ์ทาสานก็เหมือนกันนะเขาไม่มีเหตุผลต้องผิดศีลเพราะเขาศีลคือความปกติของจิตเขายังไม่ถูกปรุงแต่ง ถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นเราถึงจะว่าศีลจริงๆมันคืออะไรไอ้ศีลข้างนอกศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังเป็นกติการ่วมเป็นสิ่งที่เตือนใจเป็นการอยู่ร่วมว่าเฮ้ยอย่าสร้างกรรมอย่าทะเลาะกันมีประโยชน์ถ้าคนยังเข้าไม่ถึงตรงนั้นเหมือนกฎหมายบ้านเมืองแหะเรารู้ว่าทําผิดกฎหมายจะถูกปรับถูกลงโทษแต่มันไม่ได้เกิดจากสํานึกจริงๆเธออย่าทําชั่วนะเธอผิดศีลนะ เอานรกมาขู่อะไรเนี่ยนะมันเป็นแค่เรื่องแต่มันไม่ใช่มีประโยชน์เพราะว่าเด็กๆ ก, ก็ต้องอาศัยตรงนี้ก่อนจิตเป็นเด็กๆนะเพราะว่าเรายังเข้าไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราขข้าถึงตรงนั้ น, นะนเนี่ยศีลจริงๆเนี่ยมันจะแสดงตัวมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติปัญญามีอย่นึกเมกื่อกี้นึกปัญญานะไม่มีปัญญาเต้นไม่ได้นะหมุนสามรอบก็ลมแล้วไงคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเอามาใชา้ได้เลยนะ ทุกวันนี้มีแค่ความรู้นะสำหรับพวกครูแล้วว่าวิชานี้เป็นวิชาแรกของมนุษย์ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาถ้าเด็กๆมีตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปโลกมันจะเปลี่ยนยังไงจ้า ง, mm. ทงเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จางมันจะเรียนรู้ได้เร็วนี่คือเรียนรู้ตลอดชีวิตเเด็กที่นี่รุ่นรุ่นน้องคีเนุกสาวเองเป็นหนูรองยารุ่นแรก พ่อครูก็หาพวกคูพาหนีมาแล้วจะไปโรงเรียนในระบบไปที่ไหนมันก็เหมือนกันสอนให้แข่งขันใช่ไหมพวกคูก็ได้เลือกกศอนอบอกว่าขอตั้งกลุ่มพวกคุณไม่ต้องส่งครูมาไม่ต้องเอาเงินค่าหัวไม่ให้ที่นี่จะสอนเองเพียงแต่ขอเวลาไปสอบมันยืดหยุ่นไงวิชาหลักก็คือศีลสมาธิปัญญานะเด็กส่งไปเรียนได้เก่ยู่อันดับหนึ่งหมดเลยมันไม่ต้องเสียเวลามา จำไอวิชาขยะไงเขามีศีลเขามีเกราะป้องกันภัยไม่ใช่ไปตามเขาทุกเรื่องเขามีสมาธิเขาเรียนรู้อะไรเร็วมากเขาจดจอ่อเขามีปัญญาเนี่ยเขารู้เท่าทันโลกมันจะเปลี่ยนแปลงแต่เนะนื่องจากเขามีความรับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้อะไรเขารู้จากเทคนิคในการไปหาความรู้นะนี่คือวิชาหลักที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนต้องมีนะเพราะโลกมันเปลี่ยนตลอดเราไปเรียนวิชานี้ แล้วไม่อัปเดตปุ๊บเนี่ยไม่ทันเขาแล้วมันเปลี่ยนไหนเห็นไหมมันเรียนไม่จบแต่ถ้าเขามีตัวนี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยอะไรใหม่เขาไม่กลัวหรอกถ้าเขาจําเป็นต้องรู้เดี๋ยวเขาก็รู้เองเขามีพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญานะเพราะว่าเราเกิดมาเราเจอสิ่งดีๆแล้วแต่ผู้รู้บางคนนี่ยเห็นไหม เ, เขาหลงว่าต้องเป็นแบบนี้ก็บังคับให้พวกเราลูกหลานเราทําแบบนั้นหมดแล้วก็ พิสูจน์แล้วว่าหลายปีที่ผ่านมาการศึกษาไทยแพ้ลาวแพ้เขมรแพ้เวียดนามเลยก็เห็นแล้วพอจ ะ, ปะเปจะรู่งใหม่ก็นั่งฟังอยู่ปเปนจะรู่เมื่อไหร่ก็ยังภายเรือในอ่างอยู่อะนะมันมันไม่ไปไหนอ่ะทีนี้พวกเราเปิดโรงเรียนไม่ทําตามเขาเขาก็ปิดโรงเรียนเราไหมพราะครูรู้รู้มีแต่ว่าที่ผ่านมาที่นี่เจ็ดแปดมวดวิชามาประเมินเราก็เมินประเมินวิชาการทั้งนั้นที่ว่าเป้าหมายบอกให้เราว่าต้องคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นนะ เด็กมันเรียนเขียนเยอะมนจำหนึ่งคุยกับพ่อแม่ไม่เป็นอ่ะมันขัดนโยบายแล้วต้องคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นมันแค่พูดเก่งเฉยเฉพูดแบบต่อยหอยเลยเถียงเอาคาภาษาพูดมาทะเลาะกันอันนี้คนพูดเป็นไม่ใช่คนพูดเก่งคนพูดเป็นพูดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวเองหรืผู้อื่นตอนนี้ไปหลงความเก่งเนี่ยมิได้พูดเก่งแต่พูดไม่เป็นทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นไหมจริงๆแล้วเป้าหมายการศึกษามันไม่ได้ผิดหรอก คิดเป็นพูดเป็นทําเป็นแต่แต่หลักสูตรเอามาให้เราสอนแบบหนึง่งสอนให้มันคิดเก่งพูดเก่งทําเก่งนะไม่ใช่คิดเป็นนะเพราะมันประเมินแบบนั้นไงใครเก่งวิชาการน่นแลคือต้องขยันอ่านท่องจําแล้วก็ไปไปสอบได้ได้ดเกรดอยูอันดับหนึง่งแต่คุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่อง ไม่ง่ายสังคมมันหลงทางหมดแล้วนะเป็นแต่ว่าเออเรามีโอกาสคุณครูบาอาจารย์มาที่นี่พวคูถ้ามีใจนะบอกดีใจสุดๆเลยบังเ อ, อิญว่ามันระเบิดใจทิ้งแล้วนะนะนะมันแสดงความยีกับพวกเรานะอย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วไม่เป็นสิ่งที่ว่าสงมัยก่อนพวกคูตีกอบเนาะอยากตีกรอบจะต้องนั่งขับรถไปนะไปซื้อถุงกอบไปเดินตากแดดตากลมตากฝนราบอกสนุก เราเข้าใจว่ามันเป็นการผ่อนคลายอารมณ์พอเราเบิดแล้วเฮ้ยไม่ใช่เป็นการเพิ่มอารมณ์ใหม่เพิ่มมาลูกอารมณ์สุขสนานเห็นไหมเพื่อนพ่อครูเนี่ยไอ้ตุยชิคาโก้เนี่ยลูกเศรษฐีนะไม่อยู่เลยมันเรียนจบอะไรเลยเล่นกีฬาเที่ยวเตะอ่ะบางีก็ตีไม่ถูกนะต้นไม้หยู่้างข้าเดี๋ยวไอ้ไม้ก๊อกมันงอทันทีเลยบางทีก็เฟี้ยงขึ้นบนฟ้ามันไม่ได้ผ่อนคลายอารมณ์นะมันไปเพิ่มอารมณ์ใหม่ เรากำลังมาผ่อนคลายอารมณ์เราเอาออกจริงๆไม่มีของใหม่ที่นี่ไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยนะแม้กระทั่งภาษาพ่อคกูพูดนี่ไม่มีข้อบังคับว่าต้องทำแบบนี้นะพราะกูพูดเพื่อจะแกะให้เราเปิดปมกันนั้นเท่านั้นเองไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยแค่เอาออกเฉยๆเอาความรู้ผิดเอาความเครียดออกมานั่นแหละความสุขเขารอเราอยู่ข้างในสุขข้างนอกไม่มีนะในโลกนี้ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์มากทุกน้อยเท่านั้นเองถ้าวันไหนที่เราทุกน้อยเราก็เออรู้สึกสุขเลนะในโลกนี้ไม่มีความเย็นนะพระอาทิตย์เป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็นน้ําแข็งที่มันเย็นเพราะความน้อยมันน้อยเท่านั้นเองเครื่องปรับอากาศมันปรับความร้อนออกมันถึงเย็นในโลกนี้ไม่มีความเย็นชั้นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขถ้าความทุกข์มันยังอยู่แค่เอาความทุกข์ออกความสุขก็แสดงตัวแล้ว อย่าไปแสวงหาของนอกกระถิ่นอกกายเนี่ยไม่มีมีแต่ความสะใจความพึงพอใจความอร่อยความสนุกสนานมันไม่ใช่ความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือความไม่มีทุกข์เท่านั้นเองความไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระอิสระไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งหมดนะไม่ใช่นะวางไม่ได้ไปว่าทิ้งนะ ไม่ใช่นะวางความยึดมั่นถือมั่นเราต้องทําหน้าที่เราสร้างเหตุไว้แล้วจะไปทิ้งได้ยังไงทิ้งไปอยู่ในป่าคนเดียวก็ไปไม่รอดหรอกเราหลอกคนอื่นได้หลอกจิตเราไม่ได้นะต้องเปลี่ยนอารมณ์ในทํานทำหน้าที่ใหม่หลังจากทําหน้าที่แบบมันเครียดต้องเปลี่ยนว่าเรื่องอะไรฉันจะเครียดฉันจะทําร้ายตัวเองทําไมสมัยก่อนไม่รู้แล้วไปตอนนี้รู้แล้วเนี่ยคนที่รู้แล้วยังไปทําผิดนี่คือคนโง่คนไม่รู้คือคนไม่รู้ไม่ใช่คนโง่ คนรู้แล้วยังไปทำสิ่งที่ผิดนั่นแหละคือคนโง่หลงทางเราไม่กลัวกลัวอย่างเดียวท่านนั้นคือไม่รู้ว่าเรากำลังหลงรู้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ไม่เห็นผิดอะไรเลยนะนะอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานมันจะสุขไม่ได้ถ้าเราไม่มีความพึงพอใจกับงานเราไม่รู้ความสํางัญที่เราทาอยู่พวกกูบอกเราเป็นครูนี่ยิ่งใหญ่มากเขาเรียกพ่อครูนั่งอยู่ตรงนี้ เดี๋ยววันที่สุดสองนี่ครูพวกนี้มาสมมติว่าเป็นลูกหลานเพ่าครูทั้งนั้นแหละเป็นพ่อของครูนะคือเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจที่สุดถ้าเราเข้าใจอาชีพเราเนี่ยยิ่งใหญ่เราเป็นผู้ให้ประสาทวิชาบางทีให้เงินมันมันก็ไปกินหมดให้ปัญญามันมันจะเลี้ยงดูตัวเองได้เห็นไหมเนี่ย เรามีโอกาสได้สร้างชาติทุกวันถ้าเรามีความสุขกับมันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์กลับบ้านเนี่ยเราไม่ไปเที่ยวเตะนะเอาเวลานั้นมาคิดยังไงมาวางแผนยังไงจะวันจันทร์จะไปให้ลูกหลานมันได้มีประโยชน์สูงสุดนะมันมีความสุขกับการทําตรงนั้นแต่ถ้าเราเบื่อมันทํางานเพราะเออมันจําเป็นเฉยๆหรอกเพื่อเงินเดือนเนี่ยนะทำไปด้วยทุกไปด้วยนะขาดทุนชีวิตแล้วโง่อีกแทนที่จะมีโอกาสสร้างชาติอีก ปล่อยโอกาสนั้นผ่านไปเฉยๆนะครูนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพลในพันลัฐมนตีอะไรก็ผ่านมาจากกับเป็นนักเรียนหมดนั่นแหละเห็นหถ้าเรากัปปี้ออกมา ม, มันเบี้ยวมันก็เบี้ยวออมาหมดเห็นไหมหแต่ตอนนี้พระครู้พวกเราไม่มีทางเลือกมากมายเราอยู่ในกรอบที่ไม่รู้ใครจัดหลักสูตรต้องให้มันโง่เหมือนชั้นนะ่ะนะเราก็แกล้งทาไปเถอะ ที่นี่พกครูแกล้งสอนวิชาการนะพกคูแกล้งสอนนะบอกครูแกล้งสอนแกลงสอนมันอย่าง น, น้อยให้มันมีคุณธรรมมันเป็นคนดีไว้ก่อนถ้าไม่แกล้งสอนมันก็อ้างเหตุผลปิดโรงเรียนพกคูไม่ได้แค่นะเราไม่ได้หาเงินแต่ว่าแล้วคนจนที่นี่เขาเขาจะเขาจะยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเขาก็รู้นะเขาก็รู้มันผิดแต่เขาหาทางไม่ออกนะปฏิรูปครั้งแรกเห็นไหมก็เละไงตั้งแต่แรกพกคูบอกว่าเฮ้ยพายเรือในอ่าง เพรเป้าหมายการศึกษามันผิดตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปทําถูกได้อย่างไรคุณไม่ได้ให้เ้าเรียนเพื่อชีวิตเลยคุณให้เขาเรียนแปรเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างทุนให้เขาเป็นแค่นอ็อตเป็นแค่สกูอ่าน็อตตัวนี้มันหวานนะยโยนพิ้วเอาน็อตตัวใหม่มามนุษย์เป็นแค่ทรัพยากรถ้ามนุษย์เป็นแค่ทรัพยากรเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยหมักนะขี้วัวขี้ควายเนี่ยก็ทรัพยากรนะ มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่เป็นแค่ทรัพยากรนะแต่การศึกษาวิชาการเราก็เรียนยุคนี้เนี่ยมันก็เป็นใช้เครื่องมือในการในการทําอาชีพอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันเอาเราเป็นมนุษย์ุเป็นแค่ทรัพยากรเพรากลัวบ้าหรือเปล่าเห็นไหมเพราะทรัพยากรมันเป็นน็อตมันมั น, ม, น, ม, นมันหวานแล้วก็โยนถึงปิ้วทรัพยากรเอาตัวใหม่มาใส่ไง ชีวิตเรามีแค่นั้นนะไม่เรายิ่งใหญ่เราเป็นเทวดามาตั้งหลายรอบแล้วเราเป็นอะไรมาหมดแล้วมีโอกาสเกิดมาเพื่อเดินทางต่อแต่ตอนเดินทางต่อมันต้องอยู่ต้องกินใช่ไหมต้องมีปัจจัยสี่เราก็ต้องมีอาชีพไงไม่งั้นจะอยู่ได้ยังไงอาชีพอาศัยอย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่มาเล่นเกมรวยกันนะ เพราะคำว่ารวยมันอัลลีมิดมันเนเวอร์ฟิเนชไม่มีวันเสร็จใช่แต่เราต้องทำเพื่อดำรงชีวิตแล้วให้เรามีก้างกายแข็งแรงจิตใจอารมณ์ดีเพื่อเป็นเครื่องมือให้จิตเราได้เดินทางต่อนี่คือมรรคจิตนะถ้าถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเดินทางต่อเพื่ออะไรพ้นทุกสถานเดียว มันจะพ้นเมื่อไหร่ช่างมันแต่ยังไม่พ้นเนี่ยต้องสุกก่อนถ้าใครทําให้ตัวเองทุกข์เนี่ยเราง่วแล้วนะเราทําร้ายตัวเองทําไมเราต้องสุกก่อนแต่ถ้าเราทําอะไรถ้าเราไม่ไม่พึงพอใจไม่ตั้งมัน่นไม่ไม่ชอบมันเนี่ยเราก็สุกไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ให้รักสิ่งที่เราทําไม่งั้นเราขาดทุนชีวิตนะพ่อกูไปบรรยายที่โรงพยาบาลหนึ่งพยาบาลเขาถามว่าทํางานมากก็เงินเดือนเท่าเก่า ทำงานน้อยก็เงินเดือนเท่าเก่าทำไมต้องทำมากพยาบาลทะเลาะ ก, กันทั้งโรงพยาบาลพวกครูบอกว่าเราทำงานมากเราก็เงินเดือนเท่าเก่าถูกแล้วแต่ทำงานมากมีประสบการณ์มากได้บุญเยอะทำงานน้อยก็แก่ตายไปอีกวันหนึ่งแล้วบาปด้วยไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ก็แก่ไปอีกวันหนึ่งเหมือนกันอันนี้เรากลัวได้เปรียบเสียเปรียบ เราทําอาชีพอะไรก็ช่างจะเป็นเอกชนเป็นรัฐบาลอะไรก็ช่างพวกเราก็เสียภาษีโดยตรงเจ้าขององค์กรเขาก็ต้องเสียภาษีโดยตรงเนี่ยเราก็ช่วยชาติไงเห็นไหมถ้าเราขี้เกียจกันไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะองค์กรที่เราอยู่มันก็ไปไม่ได้แล้วเราจะช่วยชาติได้ยังไงเอาเป็นว่าองค์กรก็ต้องอยู่ พวกเราก็ต้องอยู่เพื่อจับมือกันสร้างชาติยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติไม่ใช่ไปพูดที่มันมีเหตุผลในตัวมันเราเบื่อเบื่องานนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่อยากไปแล้วแต่มันจาเป็นไงเพราะเราต้องมีเงินเดือนเพื่อดำรงชีวิตอย่างนั้นน่ะเราขาดทุนทุกวันเสียเวลาเท่าเก่ายังไป ไปเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองอีกคนโง่นะคนโง่นะถ้าคนมีปัญญามีคนฉลาดแล้วเรื่องอะไรนะทุกเวลานาทีเนี่ยเราต้องทำประโยชน์ประโยชน์ตนกับประโยชน์คนอื่นคนอื่นไม่รู้เพราะครูสอนดเด็กๆที่นี่นะบางเวลาว่างเขามากวาดใบไม้เนี่ยนะครูก็สังเกตผูค้ครูสังเกตไอ้คนกวาดใบไม้เนี่ยได้ห0ป แต่คนที่มันเข้าห้องน้ําล็อกปุ๊บไม่มีใครเห็นเลยมันถูเอาถูเอาเลยอันนี้ได้รอยคนอื่นไม่รู้แต่จิตมันบันทึกแล้วอันนั้นกวาดใบไม้เพราะอยากให้ครูเห็นเฉยๆนะมันไม่ได้เกิดจากสํานึกเราหลอกจิตเราไม่ได้เลยนะเป็นั่งอยู่ในป่าคนเดียวอะไรเดียคิดแต่เรื่องชั่วร้ายอิจฉากันนั้นคนนี้นะ่ะสร้างมโนกรรมเต็มๆเลยแล้วพอมานั่งเวียงเราจะเห็นเลยนะไอ้ที่เราบันทึกไว้มันไม่หายไปไหน แม้กระทั่งเอาไปเผาวันที่เราตายเอาไปเผากลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินคิดว่าจบเหรือธรรมชาติบอกอย่าค้ากําไรเกินควรโปรแกรมที่บันทึกในจิตใต้สํานึกกี่พันองศาก็เผาไม่ได้ธรรมชาติบอกอย่าค้ากําไรเกินควรมันตามไปข้างหน้านะทุกคนอาจจะมีประสบการณ์นะชาตินี้เราเจอในกอเนี่ยถูกชะตามากเลยเจอในขอหมันไส้ทั้งที่ว่าสองคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาเลยถามว่า ทำไมวิทยาศาสตร์ตอบซิทำไมมันเป็นของเก่าไอเกียดที่หน้ามันเป็นอะลิคูอะลเก่านะมันตามกันไปล้างผ่านกันอีกเลยนะนะยาแบกไปเลยยิ่งทางไปนี้ผ่านเนี่ยนะคืออย่างนี้เอากระดาษขาวมาใบหนึง่งเอาเข็มเนี่ยเจาะป๊อกรูเข็มยังใหญ่เกินไปนะ ต้องหานไปรู้กี่ร้อยเท่าแล้วจะแบกหัวโขนแบกอะไรไปด้วยเหรอเขาบอกผ่านไม่ได้ต้องไปแบบตัวเบาๆแบกหนี้เวนีกรรมไปด้วยเนี่ยไปนี่ผ่านไม่ได้แต่ทางไปนรกเนี่ยเขาเปิดกว้างเลยนะไม่ต้องวีซ่าด้วยเรื่องพวกนี้เนี่ยเราพูดฟังแล้วมันเหมือนไสยศาสตร์เหมือนอะไรไม่ใช่มันเป็นความจริงอย่างยิ่ง อยากไปนรกพราะครูพาไปได้นะอยากไปสวรรค์พราะครูก็พาไปได้แต่ไปแล้วไม่ให้กลับมาเอาไหมพวกที่เขาพาไปสวรรค์นรกเขาไปไปเที่ยวสวรรค์น่ะมันไปใส่อุปทานเข้าไปไปนั่งดูดวงแก้วดวอนชาติเนี่ยจะเห็นอะไรพราะครูใส่ให้เห็นได้มันไปสร้างนิมิตสร้างเป็นอุปทานขึ้นมานี่ยครูบาอาจารย์เขาถึงเตือนมาตลอดนะ เราเห็นนี่ไม่จริงเลยแหะสิ่งที่เห็นมันไม่จริงบางคนไปนั่งกรรมาฐานร้องไห้นะเราไปมองดูหนะ้าไม่ใช่เศร้านะยิ้มแต่ว่าร้องไห้ปิติไงหมดเวลาแล้วไม่ยอมออกพราเห็นพระพุทธเจ้ากลัวพระเจ้าหายหมดเวลาแล้วไปกินข้าวไม่ยอมออกนั่งร้องน้ําตาไหลยิ้มอยู่ตรงนั้นแหละ พอเสร็จแล้วมากาพ่อครูบอกพวกครูเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้านะเขาเข้าใจว่าพ่อครูบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมพุทธันเห็นเราตถาคตเราเห็นตถาคตแล้วเราเห็นธรรมแล้วนี่พ่อครูถามพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนเขาบอกนี่เหมือนพระพุทธรูปพระพุทธรูปเลยบอกเคยเห็นเจ้าชายสิท ธ, ธาไหมโดนมันตีหัวแล้วพระพุทธองค์ตัดไว้ในพระไตรปิฎกว่าระหว่างเดินทางไปเห็นพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทิ้งซะ กงไม่มาเล่นขายขนมโคกกับเราอย่างที่นี่หรอกมันเป็นอุปทานของจิตมันสร้างนิมิตมาสอบจิตปัจจุบันกล้าเวียงพุทธเจ้าทิ้งไหมเรื่องอไรจะเวียงหามาตั้งนานโดนหลอกแล้วนะเอาเป็นว่าเห็นอะไรก็ช่างสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พินาไม่ตัดสินเพราะอะไรก็ไม่ใช่สมมติว่าเราตัวนี้มาวิจัยนะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราอยากจะรู้ว่าไอ้แก้วใบนี้เนี่ยมันสร้าง ด้วยวัตถุอะไรสิ่งที่เราต้องทำเราต้องเอาไปล่ออยสลายหลอมไปไปหาที่มาของส่วนผสมแต่ถ้าเราจะรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราต้องเข้าไปข้างในไปหาที่มาที่ไปของมันแล้วทุกคนไปได้ทั้งนั้นไม่ต้องจองตัว๋วเครื่องบินไม่ต้องขอวีซา่าตอนนี้เขาสร้างจรวดนะ จะพาไปเที่ยวดาวังคารเนี่ยโอ้ต้องมหาเศรษฐีเลยไปจองตั๋วนะ น, น ะ, นะก็ไปได้แค่ดาวังคารไปได้แค่พระจันทร์เท่านั้นเองจิตวิญญาณพู้เจ้าไปตั้งหลายจั ก, กรวาลเลยแล้วพวกเราไปท่องอดีตได้หมดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแล้วไปทำไมไปทาไมไปเรียนรู้ไงไม่งั้นเราก็ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปคุณโทษเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ยอมความความดีไงเรามีแต่หาเงินไว้กินพรุ่งนี้ปีหน้าสร้างฐานะเราชล่าใจเพราะเราไม่เชื่อเรื่องอนาคตชาติเราคิดว่าตายแล้วจบเราไม่ได้สร้างอารยสัพย์ให้กับเราเลยเอาไปใช้อนาคตชาติเพราะเราไม่เชื่อเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติปุ๊จิตมันจะพาไปดูเราเป็นมาหมดแล้วเป็นอะไรก็ช่างก็เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย แล้วเวลาที่เหลือจิตมันว่ามันไม่อยากเป็นอะไรแล้วไอ้ที่เป็นๆอยู่ก็เป็นสมมติก็ทำหน้าที่เราไปนะอย่างคุณก็เดี๋ยวยงเหี่ยงไปคำว่าวางไม่ใช่ทิ้งโรงเรียนนะคุณเล็กวณิดาบอกพ่กคร่วถ้าแกเลือกได้เนี่ยแกไม่อยากทำอะไรแต่เรือลานี้เนี่ยเขาสร้างมากับมือแล้วเนี่ยเป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่งช่วยเหลือกี่ชีวิตเขาดำรงชีวิตได้นะก็ทาเพื่อให้เองนะ แต่ตัวอยากได้ตัวเองไม่มีละไม่ใช่ว่าปฏิบัติปุ๊บหนีเข้าป่าหมดไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเห็นไโดยเฉพาะดูแลครูบาอาจารย์เนี่ยนะยิ่งมีอุปนิสัยครูบาอาจารย์ถ้าได้สิ่งนี้แล้วมันจะไม่จบแค่นี้ครูบาอาจารย์มีนิสัยชอบถ่ายทอดอยู่แล้วแต่วิชาชีพอื่นเขาได้เฉพาะตัวเท่านั้นเอง นี่เป็นครั้งแรกที่พวกครูบอกว่ามันถึงรอบแล้วเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ถ่ายทอดสิ่งดีๆออกไปนะเหมือนภาพยนต์พระพุทธเจ้านั่นแหละกี่ปีกี่ปีไม่เกิดมาเกิดเวลานี้นะคนสร้างนี้ยิ่งใหญ่มากนะพะกควรนโมธนาสาธุกับเขาเขาฉลาดที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สื่อสารแบบสมัยใหม่ตู้มเดียวประกาศไปทั่วโลกเลยพอเปิดปุ๊บเนี่ย พุกวันเสาร์พวว่อคูสอนเด็กประจำนะไอเด็กสามขวบสี่ขวบมันก็แล่นกันอยู่ดังนั้นแหละใช่ไหมพวว่อกูให้ไม่ใช่ละพอไปเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้พวว่อบอกแก้วเอามาฉายเด็กสามขวบถึงคนแก่อยุก0นั่งนิ่งเลยนี่คือบารมีของพระองค์ตั้งแต่คนกล้าลงทุนสร้างพวกกำกับไอตัวแสดงอินมากและคนที่ภาคไทยด้วยนะ วันนั้นเขามาอ่ออากาศผู้หญิงที่เขาพากเสียงของพระนางมังคลาเนะี่ยตัวอิจฉานะเขาบอกพากไปด้วยจะตบหน้าตัวเองไปเรื่อยแต่เขาพากทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดเลยเพราะอะไรเพราะคําว่าผู้ที่เจ้ายิ่งใหญ่มากนะเขาอินทั้งหมดเลยเนะี่ยเพราะว่านี่คือเครื่องมือทุ่นแรงต่อไปสอนศาสนาพูทไม่จะไปสอนไปท่องจำนะศีลห้ามีเท่าไหร่ให้เขาดูเรื่องนี้เขาเห็นอารมณ์ด้วย เขาเห็นอารมณ์ด้วยนะคนไม่รู้เรื่องสาธสนามานั่งดูแล้วปุ๊บเนี่ยดูตามดูทุกตอนเลยมันถึงเวลาเก่งมากนะอันนั้นอ่ะที่พวกเรามาที่นี่นอกจากทําเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่นานนะเราจะมีส่วนเกินแบ่งปันไม่ใช่ทุกคนต้องไปหาเงินเอาเงินมาแบ่งปันไม่ใช่เงินนั้นให้ก็หมด เราจะมีปัญญาส่วนเกินเนี่ยมาแบ่งปันอย่าง น, น้อยเราจะเกิดความเมตตากรุณาเทิตานะเด็กมาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยถ้าเราปฏิบัติบ่อยๆเราแค่กอดเขาเฉยๆเนี่ยเราจะถ่ายเทพลังที่ดีๆให้เขาสัญชาตญาณของจิตเขาอายุสามสี่ขวบอะไรก็ช่างแต่จิตเขาอายุหลายล้านชาตินะเขาจะสัมผัสความรักความผูกพันครูกับนักเรียนมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขารักเราแล้วเนี่ย ที่นี่พ่อครูขอนะลูกพ่อครูขออย่างนี้ได้ให้พ่อครูหมดอ่ะพ่อครูไม่เคยสั่งการนะเพราะเขารักพ่อครูเราต้องทำให้เขารักเขาก่อนแล้วเมื่อเขารักเราแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากขอนะลูกขอนะเขาก็ให้เราเขากลัวเราเสียใจเมตตาธรรมคำจุนโลกนะที่นี่ครูที่นี่ห้ามลงโทษเด็ก แบบปะทะมันหยิกมันตีมันคนโบราณเขาบอกลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีฟังดีๆนะคนโบราณเขาไปปล่อยวัวเนี่ยเขารักวัวเขาก็ผูกในที่ที่มันอุดมสมบูรณ์มีหญ้าแล้วเขาไม่ขี้เกียจเขาก็ตามหญ้ามันหมดเขาก็เปลี่ยนผูกใหม่แต่คนทุกวันนี้มันปล่อยวัวปุ๊บมันมักง่ายมันก็ไปตกเหวตกบ่อไปบุกทุกทีเ่เขาก็กรยิงเอาคําว่าลักลูกให้ตีไม่ใช่เอาไม้ไปตีมันนะ ตีกรอบให้เขาอยู่ในทรรนองคลองธรรมที่ควรจะเป็นเขาเป็นลูกเราน่ารักจะตายจะไปตีมันทําไมต้องมีเมตตาสูงสูงแน่นอนเด็กมันก็คือเด็กล่ะนะเพราะกูส่งไม่ชีไม่ชีไปดูแลหอพักอันนี้เทอมแรกเราเปิดหัวพักนะไม่ชีเดือนสองเดือนแรกเเดี้งเลยลกกแหะเพราะคูไม่ชีเนี่ยถ้าไม่ชีเครียดเด็กก็เครียดด้วยนี่สิ่งที่ไม่ชีล้มเหลวไม่ได้บุญ เด็กมันไม่มีเสแสร้งล่ะมันออกมาเลยล่ะถ้าไม่ทันมันนะรับเละเลยนะแต่ถ้าเราทําได้นะ่ะวิธีชนะมันเนี่ยความรุนแรงชนะด้วยความรุนแรงไม่ได้ต้องชนะด้วยความรักความเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาถ้าเราทําได้เลยเนี่ยนะเราก็ได้อันนี้สูงมากพลังบริสุทธิ์เรามันจะถึงเด็กอนาคตของชาติเราเนี่ยเขาจะได้เป็นคนที่ โดยเฉพาะ พ, พ่อแม่ส่วนมากไม่มีเวลาก็เอามาทิ้งให้เรามเสาราทิตก็ทิ้งว่าให้คนชา ย, ยกอย่างนี้นะความอบอุ่นแบบครอบครัวมันไม่ค่อยมีนะเราไม่ใช่เป็นครูเฉยเฉยนะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เขาด้วยนะมาเสริมความอบอุ่นให้เขานะอย่าเป็นรักเขามากจนต้องไปลงโทษแบบตีเขาแต่ไม่ใช่ผิดแล้วผิดเลยนะที่นี่นะ เออผิดแล้วเออเดี๋ยวมันอ้างว่ามันไม่มีมันไม่ได้ทำการบ้านเออลูกมันงานเยอะนะลูกไม่เป็นไรมามานั่งทำให้มันเสร็จไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยแต่ไม่ใช่ไปลงโทษด้วยการตีเพราะเราตีครั้งหนึ่งจิตมันจะฝังใจเหมือนทหารซ้ายหันขวาหันมันทำตามเพราะมันกลัวถูกลงโทษเท่านั้นเองมันไม่ได้เกิดจากจิตสานึกมันแล้วมันจะมีปมด้อยมันจะแข็งกระด้าง เมตตาเท่านั้นนะแต่คุณครูต้องฝึกเยอะๆคุณครูจะไม่ฝึกทำไม่ได้แน่นอนเด็กมันเหมือนลิงเลยนะจักๆๆตอนนี้แม่ชีแข็งขึ้นมาเกินพวกเรามีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วแม่ชีไม่ตีเพียงแต่ว่าไม่ทันอารมณ์ของเด็กแต่ถ้าเรามักง่ายเร า, ารบังคับมึงต้องใช้ขวัญกว่าหันเพราะฉันเบื่อที่เธอจะดื้อนะอันนั้นไม่ใช่ของจริง อันนั้นเป็นการปลูกสำนึกมันก็ทำต่อหน้าเราทหารมีวินัยต่อหน้าเราออกไปบุกจินเล่าตีกันฆ่ากันเหมือนกันเราต้องปลูกสำนึกเดิมที่เขามีอยู่แล้วให้เขาตื่นขึ้นมาตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอนนะครับอันนี้แลกเปลี่ยนนะ เดี๋ยวเขาบอกว่าเอามะพร้าวไปขายสวนนะมีตะคูบาอาจารย์ทั้งนั้นน่ะนะพอกูไม่บังอาจสอนใครนะเอาเป็นว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยเอาประสบการณ์ชีวิตมาแบ่งปันนะพอกูรู้พวกเราคิดอะไรเราทําอะไรคนโลกทำอะไรพรอกูทํามาหมดแล้วเพราอกูเข้าใจหมดแต่เขาไม่เข้าใจเราหรอกเพราะเขาไม่เราเคยเป็นแบบเขามาแล้วแต่เขาไม่เคยเป็นแบบเรานะพรมวิหาร สำคัญมากเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเอาตัวนี้มาวัดเรานะเป็นประหลอดวัดเราด้วยว่าเอ๊ะเรามีแค่ไหนเด็กคนนี้มันล้มลงไปสงสารนะเดินหนีเพราะฉันไม่มีเวลามีเมตตาแต่ไม่มีกรุณาบางคนก็วิ่งไปช่วยเขานะมีกรุณาดีแล้ว แต่บังเอิญวันดีคืนดีเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีเขาเก้าวหน้ากว่าเราเนี่ยอิจฉาเขาไม่มีมุทิตาบางทีมีมุทิตาอยู่นะเออสาธุยินดีด้วยนะเออก็ดีวันใดวันหนึ่งเขามาเบียดเบียนเราทำให้เราเสียหายได้ยังไงได้ยังไงขนาดว่าเคยช่วยเขามาแล้วเนี่ยบางทีกระทบเรามีอัตตาตัวตนไม่มีอุเบกขานิ่งเฉยไม่ได้ นี่คือประหลอดวัดความแข็งแกร่งของจิตทำบ่อยๆถ้าเราทำได้หมดนี่ เ, เขาเรียกว่าพรมวิหารคือที่อยู่ของมนุษย์ผู้เสริฐอันนี้ตายปุ๊บไม่มีนรกก็คือไปพรมพร ม, มาโลกก็ไปเสพบสุขสักพักหนึ่งนะเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องอีก ไม่ได้หยุดแค่นั้นพมวิหารไม่พอต้องเข้าถึงอริยะวิหารอย่างพมวิหารเนี่ยสมมติว่าเขามากระทบเราเนี่ยเรารู้สึกไม่พอใจแต่เราให้อภัยทานเราก็นิ่งให้อภัยเออช่างเถอะแต่เราโดนกระทบแล้วแต่ถ้าเป็นอริยวิหารเนี่ยนะไม่ต้องให้อภัยด้วยเพราะเรารู้ว่าอะไรก็ไม่ใช่ไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วไม่ต้องให้อภัยด้วยเรานิ่งเฉยโดยไม่ต้องกระทบอันนี้ปลอดภัย อันนี้เรียกว่าอาริยะวิหารเพราะเพื่อนเพนหลังพระครูเนี่ยเขาเขาเขาห่วงพระครูมากค้ออยู่ๆก็เข้าป่าเลยเป็นบ้าเขาก็ศึกษาพุทธศาสนาแล้วเขาก็วิ่งมาที่นี่จะเตือนสติพระครูเป็นบ้าหรือเปล่าเขาบอกว่าทําไมอุเบกขามีอยู่หลายแห่งจังเลยเมตตาการุณามุนิตาอุเบกขานะที่นี้โพธิชงเจ็ก็อันอันสุดท้ายเนี่ยสติสมโพธิช์เรียกสมชนอันสุดท้ายอุเบกขาสมโพธิชงเขาบอกมันต่างกันยังไง ใช่ต่างกันอุเบกขาของผมคือมีความรู้สึกกระทบแล้วนะแต่ให้อภัยแต่อุเบกขาของพระอริยะเนี่ยไม่ต้องพให้อภัยเลยเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกมันผิดมันไปเป็นโจรมันเป็นคนชั่วร้ายก็เป็นกรรมของมันเขาอยากเป็นไหมเขาไม่อยากเป็นหรอกเห็นไหมเนี่ยถ้าเราทั่งถึงขั้นตอนนั้นล่ะเราจะปลอดภัย โอเคนะก็ใช้เวลาผสมกวนจะได้เตรียมความปฏิบัติเต็มที่เลยนะชั่วโมงนี้เต็มที่เลยนะเจ็บก็เวียงปวดก็เวียงเมื่อยก็เวียงอย่าไปนหนีมันนะโอเคนะ